ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ا ا ل م ي ن وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ข้อความสันต ความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาทัพซชลในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกท่านวันนี้ครับอยู่ในสุราฮูดยังไม่จบพี่น้องนะครับ วันนี้เกี่ยย่านี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่อายะนะครับอายะที่หกสิบสองถึงอายะที่หกสิบห้าสฮูดนะครับอายะที่หกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่แล้วก็อายะที่หกสิบห้าชื่อสัฮูดนะครับแต่เนื้อหาเนี่ย เ, เป็นระบียสอนแหละ นบีฮุดเนี่ยกล่าวไปแล้วนะครับประมาณอายะที่ห้าสิบหห้าสิกว่ากว่าประมาณสิบอายะนะฮะชื่อซุลฮุดแต่กล่าวเกี่ยวกับนบีฮุดโดยตรงเนี่ยประมาณประมาณแค่สิบอายะหลังจากนั้นก็ไล่มานะครับเป็นนบีซอลและนะต่อไปเป็นนบีลูดนบีชูไอ้นบีมูซาก็ไล่ต่อกันไปลำดับเหตุการณ์เนี่ยคล้ายๆกับซุลฮุดที่เราผ่านมาก็คือซุลฮุดยูนสัส มาดบีนัวไล่มาก็คือนบีฮุดกับผูอาตต่อมาคือซอลเลกับโูสมูดนะครับต่อมาคือนบีลูดนะครับกับกลุ่มชนนบีลูดนบีชูไอส์อาซาบุนไอกานะครับอาน้อขยอนแล้วก็มาบีมูซากับเฟรเอลมันจะสับสนนิดหนึ่งนะครับนบีกับกลุ่มชนเนี่ย เวลาผมท่องในผมท่องเป็นคำคล้องจองนะครับผมท่องอาร์ตพูดสมซอลเลท่องอย่างเงี้ยนะครับพอบางทีว่าพูดเอ๊ะกลุ่มชนอาร์ r อาร์ตนบอะไรสมูทสมูทนบีอะไ ร, ม, ม, บบะไรมันคล้ายๆกันน บ, บีรูดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสับสนเรีอกกลุก่มชนน บ, บีรูดแต่ว่าร์ตพสมูทมันมีชื่อเฉพาะนะครับก็เลยท่องว่าส่วนตัวท่องว่าอาร์ตพูดสมูทซอลละก็คืออาร์ตนบีพูดสมูทน บ, บีซอลเลยนะทำเป็นคำคล้องจอง จะได้จำ ง, ง่ายๆคราวนี้คราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ยาสตนะครับพูดถึงกลุ่มชนอารฮูดนะกลุ่มชนอารกับเนบีฮูดจบไปแล้วถูกทำลายไปแล้วนะครับแล้วก็มาอีกกลุ่มชนนั้นชื่อว่ากลุ่มชนสมุตเนบีที่ถูกส่งมาให้แ ก, ก่กลุ่มชนสมุตคือท่านนบีซอลและอะเลฮิสสาลาม โดยประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับเวลาไล่ไปเนี่ยคนอาขับในสมัยก่อนเขาชอบไล่ขนาดสายตระกูลเช่นอาร์ตกลุ่มชนอาร์ตเนี่ยอาร์ตนี่มาจากไหนนะครับอันนี้ผมทวนให้ฟังเห็นภาพคร่าวๆอาร์ตเนี่ยเป็นชื่อบรรพบุรุษของกลุ่มชนอาร์ตนะครับมีลูกหลาน อ, ออกมาก็เรียกว่าพวกอาร์ตเหมือนกับพวกบันทีอิสราอนินะอิสราอินเป็นชื่อของ นบียากรุบอลัยสลามลูกหลนานนบียากรุบสิบสองคนนบียูซุปหนึ่งในนั้นแล้วก็ออกลูกออกหลานก็เรียกว่าชาวบันิสรออินอิสรออินเป็นชื่อใครชื่อบรบรพบุรุษก็คือท่านนาบียากรุบอลัยสลามนบียากรุบมีสองชื่อเช่นเดียวกันกลุ่มชนอาร์ดเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาร์ดก็เป็นชื่อบรบรพบุรุษนะนับประวิาสตร์ก็ไล่ต่อไปไล่ไปถึงนบีนุ่นเลยอาร์ดเนี่ยเป็นลูกของอาส์ นะครับอัสเป็นลูกของเอร์มี่เอรมีเป็นลูกของซามซามเป็นลูกของนบีนุ่นนะถ้าจะผูป้ประวัติศาสตร์ต้งพูดแบบนี้พี่น้องจําได้ไหมลูกนบีนุ่นเนี่ยนะครับที่ประวัติศาส์เขากล่าวมาเนี่ยพี่น้องอาจจะมีความก้าวเ่อนอะไรก็แล้วแต่มีอยู่สี่คนหลักๆนะครับคนหนึ่งเนี่ยจมน้ําตายไปบางคนบอชื่อกันอ่านบางคนบอกอีกชื่อก็แล้วแต่ส่วนมากจะรู้กันจากในชื่อกันอ่านนะ กอการอ่านไปรูกนา บ, บีนุ่วที่ไม่ศรัทธาแล้วก็ภรรยาน บ, บีนุ่วคนหนึ่งก็ไม่ศรัทธาด้วยท่านแม่ทั้งลูกเนี่ยนะครับแม่นี้กับลูกเนี่ยเป็นผู้ไม่ศรัทธานอกจากนั้นน บ, บีนุ่วยังมีลูกอีกสามคนที่ถูกกล่าวถึงหลักๆเนี่ยก็คือซามที่ผมบอกฝรั่งเวลาชื่อแซมแซมเนี่ยนะครับก็คือซามซามฮามแล้วก็ยาฟิสามคนนี้นะเออ ซามนะครับอะไรนะซีนอาลีฟมีมซามเป็นลูกนบีโ น, โนโคนที่หนึ่งซึ่งคนคนนี้เนี่ยมีบทบาทสําคัญมากเพราะว่าต่อมาจะเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับชาวบันิสร อ, อีนแล้วก็ชาวบาบิโลนคือกลุ่มชนที่อยู่ในภาษาเซมิติกเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกของซามเชื่อสายมาจากซามเป็นปอดิศาสตร์ด้วยภาษาศาสตร์ด้วย แล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวข้องด้วยอ้าวมันเกี่ยวข้องกันหลายอย่างเหมือนกันอันนี้คือซามนะครับซามเนี่ยทั้งกลุ่มชนอาร์ตและกลุ่มชนสมูธเป็นลูกหลานของซามซามเป็นลูกคนหนึ่งของท่านอบดุลเบีนอัลลอฮิสลามไม่งงหนะนะครับถ้าอาร์ตนะอาร์ตเป็นลูกของเอาส์อาส์เป็นลูกของเอร์มีเออรมีเป็นลูกของซามซามเป็นลูกของนบดนลเบน ส่วนสมูธเนี่ยที่เราจะพูดถึงสมุูธก็ น, นักประสิชาบอกว่าเป็นชื่อของบรรพบรุษเหมือนกันชื่อสมุูรแล้วกูลูกหลานของชาวสมูธก็ชื่อว่าชื่อว่าชาวสมูรเป็นลูกหลานของสมุูรสมูธบางคนบอกเป็นลูกหลานของอาร์ตอีกทีหนึง่งบางคนบอกเป็นลูกของเอรมีแล้วก็ลูกของซามอีกทีหนึง่งก็คือในสายตระกูลจะเป็นอาร์ตก็ดีจะเป็นสมุูธก็ดีเป็นลูกหลานของซามซึ่งเป็นลูกของนบีนัว คนหนึ่งนะครับอันนี้พี่น้องไม่ต้องจำหรอกนะครับเป็นประดับความรู้แล้วกันส่วนลูกนมีน้อยสองคนคือฮามกับยาฟิสยาฟิสเนี่ยนะครับเอ่อฮามก่อนฮามเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นตระกูลของพวกแอฟริกาเหนือไม่ใช่ออฟริกาเหนือปัจจุบันที่เป็นในเอลจีเรียยาซาีเอสเป็นแอฟริกาเหนือเดิมๆพวกบัตเตอรี่พวกเนี้ยนะครับ มันจะีภาษาต ร, ระกุลแหกฮามิติกเซมิติกฮามิติกคือภาษาแถวแอฟริกาเหนือเป็นกลุ่มภาษาก็ใช้เรื่องเราจะสศาสนานมาตั้งชื่อเหมือนกันอันนี้ก็ไม่เกตความรู้ไม่ต้องจำในปวดหัวให้ทราบกันว่าเวลาก็พูดถึงอาร์สมูธอะไรแบบเนี่ยนะครับเขาไล่ไปถึงนูน่นถึงน บ, บีนัวมาจากสายไหนสายซามแล้วก็สายซามเนี่ยส่วนมากจะเป็นเนี่ย เป็นนบีเอะนะครับเป็นต้นตระกูลของชาวยิวด้วยชาวอาหรับด้วยอยู่รวมกันในเขาเรียกว่าเซมิติกพวกเซมัยเวลาทฮิตเลอร์ค่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยล้างเผ่าพันธุ์พวกเซมัยที่ฆ่าพวกยิวเนี่ยนะครับมันจะมีคําว่าล้างเผ่าพันธุ์เซมัยคือเซมิติกมาจากไหนมาจากซามลูกขอนนบีนัวคนหนึ่ง ย้ำอีกทีว่าไม่ต้องจำนะครับฟังเพลินๆนะคราวนี้ในมัมีลักษะพิเศษอย่างนี้พี่เนอะอันนี้เป็นเกจความรู้นะครับกลุ่มชนอารกับกลุ่มชนสมูทเนี่ยถูกกล่าวไว้ในกุรอานเท่านั้นปกติในกิดซ้อในประวัติศาสตร์นบีหรือว่ากลุ่มชนหลายๆกลุ่มชนเนี่ยถูกกล่าวในกุรอานด้วยแล้วก็ถูกกล่าวใน คำพีอื่นด้วยในอินจีนในเตาร้อน ด, ด้วยตัวอย่างเช่นนบีนุวเนี่ยเกือบจะเป็นสากลเลยนะครับไม่ใช่แค่กุตุสมาวาอย่างเดียวนะกะเลียงอินเดแดงกิงกาเมสเนี่ยมีหมดน้ําท่วมโลกนะครับกลุ่มชนนบีลูดบอกไปที่จะพูดถึงเนี่ยถูกกล่าวในคุรานด้วยแล้วก็ถูกกล่าวในอินจีนด้วยเมืองซาดูมเนี่ยแค่แเมืองโซดอมโกมราก็คืออุมูร์นาแค่แบบเมืองคนบาปที่ถูกอัลลอฮ์พลิกแผ่นดินเนี่ย ถูกกล่าวในกรัรอื่นด้วยแล้วก็ถูกกล่าวในคำภีอื่นด้วยแต่ว่าอาดกับสมูทถูกกล่าวเฉพาะในกรัรอ่านเท่านั้นอันนี้เป็นข้อถกเถียงทางวิชาการเลยว่าทําไมกรัรอ่านถึงแยกออกมาโปรตเรื่องที่อยู่ในกอานคัมภีร์อื่นจะมีด้วยแต่อาดกับสมูทไม่ถูกกล่าวในคำพีอื่นถูกกล่าวในคัมภีร์อ่านเท่านั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นเลยเอ้มันยังไงกันนะครับก็ถกเถียงยาว เราให้ฟังเฉยๆอ่าวมาดูใ น, นเนื้อหาในวันนี้ครับในอายาที่หกสิบสองอลอตรัสไว้ว่ากอรูอยาซอเลหูกอรูในพวกเขากล่าวใครกล่าวชาวสมูตรกล่าวอยาซอเลหูโอซอลและเอยโฮสมูตรเรียกนบีซอลและนะครับก็กุนต้าฟีนามัรจวัน ก็เปหนฮาเดชาวสมุทรบอกว่าซอแลเอ๋ยท่านน่ะเคยเป็นบุคคลที่พวกเรานี้เคยตั้งความหวังไว้มวื่ยูวันตั้งความหวังไว้ก่อนหน้านี้เคยตั้งความหวังไว้กับท่านก่อนที่ท่านจะนำความเชื่อแปลกๆมาเผอแพร่เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นศัตรูไม่ตรงตาม ศา ส, สนาหรือว่าการคารพักดีการกล่าวว่าที่เราแล้วก็บรรพบุตรเคยทําก่อนหน้าที่ท่านจะทําแบบนี้ท่านเป็นความหวังของพวกเราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันยังไงนะครับแต่ก่อนนบีซอดแรกเคยเป็นความหวังของโพวกสมูทอัตันฮะอัตันฮานาอันนับูฎะ Buddha, มายะบุดูอาบาอุนาท่านจะห้ามเรา ในการที่เรานั้นจะพักดีสัการะจะอิบาดาตามสิ่งที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้เคยสักการะไว้กันนั้นหรือนี่เป็นคำถามนะในวนว่ววนนบีสุลแลมเนี่ยนบีสลแลห้ามการกราบว่าลูกปั้นที่มีเนี่ยนบีสลแลห้ามโูสมุทรก็เลยตั้งคำถามว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยอาบาอุนาบรรพบุพ ร, บรุษ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยกระทำไว้ท่านจะมาห้ามการ น, นั้นหรือความหมายข้าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตบทสิวะอินนาลาฟีชักกิมและเรานี้ผู้สมุติบอกว่าเรานี้พอเรานี้ทำไมเอ่ยสงสัยมิมมาตะดูนาอิไลฮีมุรีบเราเนี่ยสงสัยก็คือไม่เชื่อ แพงใจมิมมาตดอูนาอิัยทิมรีบในสิ่งที่ทําไมเอ่ยท่านนั้นเรียกร้องเราบอกว่าพระเจ้ามีองค์เดียวให้ละทิ้งพระเจ้าหลายองค์ที่เคยกราบไหว้พวกเรานี้สงสัยในสิ่งที่ท่านกําลังเรียกร้องสิ่งที่ท่านกาลังทำการด่าว่าอยู่เนี่ยเราสงสัยอีชักเกิมอันนี้ความหมายคร่าวๆนะครับ อามาดูตบทสิบ้างเราทราบจากอายะนี้ว่านาบีซอแล่เนี่ยนบีซอแล่เป็นลูกหลานไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกหลานของของผู้สมูดมันจะมีนบีซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชนนั้นกับนบีซึ่งมาจากกลุ่มชนอื่นแล้วก็ถูกส่งมอเผยแพร่เวะลาอ่านประวัติต้องดูให้ดีนะนบีนุวนนี่ชัดเจน เป็นคนในกลุ่มชนนบีฮุดเป็นหนึ่งในพวกอารนบีซอลเลเป็นหนึ่งในพวกสมูตเป็นหนึ่งในกลุ่มชนนั้นแต่นบีบางองค์เนี่ยเป็นคนจากกลุ่มอื่นแล้วถูกส่งมาเผยแพร่เช่นต่อไปนบีลูดเนี่ยนบีลูดไม่ใช่หนึ่งในกลุ่มชื่อว่ากลุ่มชนนบีลูดแต่นบีฮุดไม่ได้เกิดที่นั่นนะนบีฮุดเป็นญาตินบีเบรอฮีมอพยพมาพร้อมกันแล้วมาแต่งงานกับภรรยาซึ่ง เป็นหนึ่งในกลุ่มชนนบีลูดแต่นบิลูดมาจากที่อื่น อ, อันนี้เป็น ต, ต, ต้องต้องเข้าใจประวิศาสตร์นิดนึงนะครับอี่ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือนบียูนุสอลัยฮิสลามที่ผ่านไปแล้วผมถือว่าทวนแล้วกันนบียูนุสเป็นคนจากกลุ่มชนอื่นอลัลลอฮ์ส่งมาเผยแพร่ อ, อีกกลุ่มชนหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ า, านาบีซาเล่เนี่ยเป็นหนึ่งจากจากชาวสัมูด ชาวสมุติบอกว่าโอ้ซอลและเอ๋ยยาซอลแลวผู้ก็ตะกุลต้าฟีนามารจูวันก็บละาฮาดาเราทราบจากคำพูดตรงนี้นะครับทราบวันนบีซอลและนี่ไม่ธรรมดาเป็นหนึ่งซึ่งคนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยนะครับตั้งความหวังไว้มารจูวันก็บละฮาดา ตั้งความหวังไว้ว่ายังไงบ้างนักตักซิ่งอธิบายเช่นตักซิ่บัคลอรี่บอกว่าตั้งความหวังว่านบีซอลเลตจะได้เป็นผะู้านต า, าตั้งความหวังว่านาบีซอลเลตจะทาการปกป้องเผ่าพันธุ์ตัวเองตั้งความหวังวนบีซอลปปอเอตอลตจะช่วยเหลือพระเจ้าซึ่งกลุ่มชนนบีกลุ่มชนสมุทรกราบไหว้หวังว่านาบีซอลเลตจะทําหน้าที่ตรงนั้นต่อไปในอนาคตเป็นความหวังของผู้หลักผู้ใหญ่ กอบละฮารากอนั้นี้เคยหวังไว้แต่ตอนนี้ไม่หวังแล้วพราเนบีซอลเละมาบอกว่าให้ละทิ้งพระเจ้าที่เคยกราบไหว้และไปนับถืออัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวโคส ม, มุดเคยหวังตอนนี้ผิดหวังกับนบีซอลเละถ้ามองให้ลึกลงไปในพอติษฐ์นะครับตรงนี้แสดงเห็นว่าลักษณะของนบีซอลเละ มีลักษณะที่โดดเด่นไม่ธรรมดาจริงๆแล้วนบีที่เราส่งมาแต่ละคนนพี่น้องไม่ธรรมดานะนบีมุฮัมมัดส่งมาเนี่ยพี่น้นองไม่ได้มีทรัพย์สินเยอะไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่าเป็นอั้นอามีนมีความโดดเด่นใครก็เชื่อใจอา้าวดูแล้วกันนะครับนบีที่ถูกส่งมาเนี่ยมีลักษณะของฟอนะความฉลาดรอบรู้มีไว้พิบมีนู่นมีนี่ น บ, บียูซุฟอลัยสล า, ามเด่นไหมเด่นหลออ่อมากอ่าไม่ธรรมดาน บ, บีมูซาน บ, บีอีซาน บ, บีอีซาเนี่ยู้ได้ดาราเด็กก็ตแต่แบบเบาะมีความเฉลียวฉลาดมีลักษณะที่โดดเด่นเช่นเดียวกับน บ, บีซอลและอลัยสล า, ามโดดเด่นจนกระทั่งว่าคนในบ้านในเมืองเนี่ยตั้งความหวังไว้จะสืบทอดความเป็นผู้นําจะเป็นอะไรกันแล้วแต่ตั้งความหวังไว้เอามาจากไหน เอามาจากสิ่งที่ก็อ่านบอกน บ, บีซอนแรกก็ไม่ธรรมดาหเหมือนกันพสต์สมมติกล่าวต่อไปว่าอตันหานาอันนาบุดามายะบูดูอาบาอูนาตะก่อนเคยหวังตอนนี้ไม่หวังแล้วทำไมละ่ะเพราะท่านนี่แหละห้ามเราในการสักการะในการพักดีต่อสิ่งที่บรรพบุรุษเคยกราบไหว้เคยทํากันไว้ และนบีซอลรลมาห้ามถ้าแปลความหมายคร่าวๆก็เท่านี้แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปในตรงนี้บอกอะไรกับเราบ้างหนึ่งพระเจ้าที่พวกสมมุติมทำการกราบไหว้เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ในสมัยนบีซอลแลนะเกิดขึ้นมานานแล้ว มีการกราบไหว้กันมาตั้งแต่บรรพบรุษจนมันกลายเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่เพิ่งเอามาไหว้แล้วนบีซอลแรกก็บอกอย่าไหว้ไม่ใช่พ่อเคยไหว้มาแล้วปู่เคยไหว้มาแล้วมีมาแล้วกี่ร้อยปีกัไม่ทราบผมประมาณอายุไม่ถูกถ้าคนปัจจุบันประมาณได้หกสิบเจ็ดสิบแต่คนสมัยนบีซอลแรกพูดสมมติประมาณอายุไม่ถูกแต่ว่าหลายชั่วอายุคน กี่ร้อยปีก็ไม่ทราบจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยปอะวัติศาสตร์ผ่านมาพี่น้องเป็นระยะเวลาพอสมควรแล่แต่ละบีนวลขึมาเนี่ยพี่น้องน้ำไม่แห้งไม่เหลือใครแล้วนะลงมาแยกย้ายกันไปเนี่ยคู่หนึ่งสัตว์ก็คู่หนึ่ ง, ค น, งคนก็บ่านใครบ่านมันแยกกันไปเนี่ยจนกระทั่งว่ามีลูกมีหลานกลายไปกลุ่มชนอารกี่ชั่วยุคคนผมก็ไม่ทราบกี่รอยปีก็ไม่ทราบแต่ว่า มันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยไม่ได้เกิดตกระทันหันนะจงกระทั่งว่ามีฮาดอร์มีอารยธรรมของพวกอาร์ตมีบ้านมีเรือนมีความเชื่อมีนู่มีนี่ระยะเวลาที่คนกลุ่มหนึ่งจะรวมตัวกันเป็นชุมชนเป็นบ้านเมืองสร้างความเชื่อมีวัฒนธรรมมีแนวการประพฤติปฏิบัติหลายชั่วอายุคนนั่นคือพวกอาร์ตนางนบีฮุษและกระถูกทําลายพี่น้องนึกภาพก็จะหายไปเลยแล้วก็มาถึง นบีซอลเละโบสถสมุติอีกก็ใช่ระยะเวลาเนี่ยเป็นกลุ่มชนเป็นบ้านเป็นเมืองมีอรารยธรรมมีความเชื่อทรงต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงนบีซอลเละกี่ร้กี่พันปีผมก็ไม่ทราบแต่ว่าหลายชั่วอายุคนจากนาบีนุ่งถึงนบีซอลเละกี่ปีมีคนประมาณการไว้แต่ก็บรรลอกอาลัมนะครับให้เห็นภาพว่าเออมันไม่ใช่หมู่บ้านใหม่ๆนะคนมาตั้งตั้งพระเจ้านาบีซอลเละไปห้าม ไม่ใช่แบบนั้นนะเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นชุมชนมาแล้วมีความเชื่อมีประเพณีมีวัฒนธรรมมาแล้วพ่อแม่กราบไหว้มาแล้วคนคนนี้ก็กราบไหว้ตามแล้วนะบีซอลเละ ก, ก็มาห้ามในการกราบไหว้พระเจ้าเหล่านี้อ่าพี่น้องเห็นภาพนะคราวนี้พอมาห้ามแล้วเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นประเพณีปฏิบัติในชุมชนในปัจจุบันเนี่ยพี่น้อง บางพระเจ้าเนี่ยอืมเอางดีบางพระเจ้าพี่น้องไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่คนก็ยังกราบไหว้ไม่ได้ฐานะที่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ในฐานะซึ่งทําไมเอย่ยเป็นประเพณีปฏิบัติในตํานานมาตํานานเนี่ยไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่คนก็ยังทําอยู่เพราะทําไมละ่ะเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาไม่ได้มองในแง่ของความเชื่อพระเจ้ามีจริงไม่จริ ง, มรงไม่รู้แต่ว่า บรรพูดกระกทากันมาเราก็ทําตามนะครับในประเพณีไทยมีอะไรบ้างซึ่งอาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ว่ายังทําอยู่วันหลังนึกออกแค่ว่าและกันอา้าวอย่างญี่ปุน่นอย่างเงี้ยนะครับวิท ย, ยศาศาสตร์พัฒนาไปถึงไหนแล้วแต่ก่อนเคยเชื่อว่าจากักรพรรดิเป็นลูกพระอาทิตย์อะไรทาํานองเนี้ยหลังจากสงครามโลกคร้ที่สองเสร็จแล้ ว, วาจากักรพรรดิญี่ปุ่นประกาศเองว่าเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ลูกพระอาทิตย์ แต่ว่าประเพณีบางอย่างซึ่งในความเชื่อเดิมๆก็ก็ยังปฏิบัติอยู่แม้ว่าประเทศจะพัฒนาวิทยาศาสตร์ไปแล้วความเชื่อเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายังเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่นะแต่กระทําในฐานะซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติถ้าเราเอาลองมองสังคมแบบนี้แล้วก็มองบทนิสตร์อาจจะเห็นภาพอะไรชัดเจนมากขึ้นประเด็นที่เกิดปัญหาในาบีซอเล่ที่ห้ามเนี่ยนะครับไม่ใช่ลบดูความศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียว แต่ไปห้ามเขาเหลือประทัศสถานนอมสิ่งที่สังคมเคยทำไว้ทำจนเคยชินและนดีซาเล่บอกไม่ให้ทำตรงนี้นเป็นปัญหาดังนั้นทำไมเอยก็มีการตอบโต้จากคนที่เคยปฏิบัติแบบเก่าๆอินน า, นาลาฟีชักกิมมิมาตาดอูนานาออลายทีมรีบนะครับ คนเหล่านี้บอกว่าสงสัยสิ่งที่นาบีซาเล่ต์นำมาบอกเนี่ยพระเจ้าหลายองค์ได้เคยกล่าบว่าเนี่ยไม่จริงพระเจ้ามีองค์เดียวให้เลิกกล่าวว่ารูปปั้นเหล่านี้ไปกราบว่าพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยเราสงสัยในคําพูดนี้ข้อเรียกร้องตรงนี้เราสงสัยพกสมุติแสดงออกมาว่าไม่เชื่อในสิ่งที่นาบีซาล่ต์บอก อันนี้คือคําพูดของโภสมูทพูดกับนบีซอลเละพอพูดแบบนี้นบีซอลเละพูดว่ายังไงอายะที่หกสิบสามเป็นคําพูดของนบีซอลเละนะครับยากรลยาเกามีนบีซอลเละกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันอัลไรตุ่มท่านไม่เห็นไหมท่านเห็นไหมนะครับอินกุนตูอลาใบยินาดินม่รบบี ถ้าฉันน่ะนะทำไมเอ่ยมีหลักฐานที่ชัดแจ้งใบีนะจากพระเจ้าของฉันถ้าพระเจ้าให้หลักฐานฉันมาอย่างชัดแจ้งว่าอาตานีมินหูรหกมาตันแล้วก็ให้ความเมตากับฉันถ้าเราให้แบบนี้และให้ทั้งหลักฐานให้ทั้งความเมตตาว่าไม่ยังซูนี่มินอัลลอฮีอินอัซัยตูหู แล้วใครจะช่วยเหลือฉันล่ะถ้าฉันฝ่าฝืนต่อพระ อ, องค์เอาลอให้หลักฐานมาให้ความเมตตา ม, มาแล้ววันนี้ฉันฝ่าฝืนสิ่งที่อลัลลอฮ์สั่งใช้แล้วใครจะช่วยฉันฟามาตาซีดูนานีไรอตกซียกรอ์ตักซียกนะครับนบีซอแรบบอกว่ า, วาสิ่งที่พวกท่านจะเพิ่มจะให้กับฉันเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากความขาดทุน นี่นบีสอดแรกบอกดูข้อโต y a n งนะครับผู้สมมุติบอกว่าหนึ่งผิดหวังตอ น, นบีสอลแลแยกเป็นประเด็นสองห้ามในสิ่งที่เราเคยทําและก็บรรลุผลเพรา ะ, ะเราเธยทำสามเราสงสัยไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านนํามานี่คือสามประเด็นที่มาผู้สมมุตินะผิดหวังในในตัวนบีสอดแลห้ามประเพณีวัฒถ้รทำที่เคยปฏิบัติกันมา ไม่ใช่แค่เรานะพอแม่ปุรัตปุยายตายาเคยทำมาแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่นบีซอแล็คนำมานี่คือข้อโต้แย้งของพวกชาวสมุทรนบีซาเล็ตตอบว่ายังไงหนึ่งถ้าฉันนะครับทั้งใบีนะหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็ความเมตตาอาลัลลอฮ์น่ะให้ฉันเนี่ยหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็ความเมตตาแล้วถ้าฉันยังฝ่าฝืนอยู่ ใครจะช่วยฉันพวกท่านที่จะให้กับฉันจะช่วยฉันได้ไม่มีอะไรเลยเอะอยเราตักซีเวนจะแต่จะให้ความขาดทุนในคำพูดอบิซอแล ะ, สะแสดงจุดยืนหลายประการหนึ่งมายันโซนีมิลล์ร้อยอินอซอยตูฮูปฏิเสธพระเจ้าที่มีมาของบุตชาวสมุทรถ้าฉันฝ่าฝืออัลลอฮ์ที่เป็นเจ้า ใครจะช่วยฉันเพราะสิ่งที่พวท่านนับถือเนี่ยฉันก็ไม่เชื่อเหมือนการว่ามันเป็นพระเจ้ามันไม่มีอำนาจจะช่วยฉันได้ตอนนี้ฉันเชื่อในอัลลอฮ์ถ้าฉันฝากฝืออัลลอฮ์แล้วใครจะช่วยฉันพระเจ้าของพวท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะฉันไม่เชื่อเป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันพวกท่านก็ช่วยฉันไม่ได้フามาตซีดูนานี้ไอยะตักซี พวกท่านก็ให้อะไรฉันไม่ได้นอกจากความขาดทุนนี่คือคำพูดของอับดุลเบิดซาเลแสงนัยยะแบบนี้ไว้นอกจากปฏิเสธแล้วว่าพวกท่านก็ช่วยฉันไม่ได้พระเจ้าของพวกท่านก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้นอกจากนี้พระผู้เป็นเจ้าของฉันทำไมเอ่ยยังประทานให้กับฉันหนึ่งคือบายีนาะหลักฐานที่ชัดแจง้งอะไรละ่ะ ต่อไปอายะต่อไปจะว่าว่าอูดของนบีซอแรเนี่ยเป็นโมจิซาอย่ายงไงเป็นหลักฐานที่ชัดแจ้งแล้วก็ราะมะให้ความเมตตากุมชนนบีเอ่อกุมชนของพวกสมูนเนี่ยพี่น้องทำไมเอ่ยมีความอุดมสมบูรณ์ได้รับเนียมัตหลายประการความเข้มแข็งร่างกายที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่งชุมชนที่เข้มแข็งไม่ใช่แค่ตัวโพวกมุนอย่างเดียวที่แข็งนะ คนแข็งแก่งแข็งแก่ ง, กงนารวมตัวการเป็นชุมชนมีชุมชนที่เข้มแข็งมีความอ ด, ดมสมบูรณ์นี่คือแนื้อมาติอัลลอฮ์ให้กับประชาวสะ ม, มุรให้ขนาดนี้แล้วแล้วยังฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ะนะครับอ้าวอันนี้พี่น้องเห็หนนาข้อตอบโต้ของนบีซอลแลที่ตอบโต้กับกับชาวสะ ม, มุน ในอายะห์ที่หกสจะที่บายว่าที่นบีซอลละบอกว่าฉันได้บายีนากระรามาเนี่คืออะไรบายีนาเนี่ยนะครับเ่าให้ฟังนิดนึงนะครับก็คือมุ่งอิจาร์ที่เอาเละให้กับนบีซอลเลาะอะไรบ้างนาบีซอลละบอกในอายะห์ที่หบสว่าหัวยาเกาหมีฮาดีฮีหัวยาเกาหมีโอ้กลุ่มชนของฉันฮาดี um ีนากะตุลลอฮีละกุม ฮาดีฮีนากระตุลล้ลอฮีต้องเว้นแบบนี้โอ้กลุ่มชนของฉันนี่คือนากกนาโกแปลว่าอูดวงเล็บอูดเพศเมียอูดขออัลลอฮ์อัอลลอฮ์ให้อูดมาไม่ได้แปลว่ า, อาลอฮขี่อูดอลัลลอฮ์เป็นเจ้าของอูดที่อลัลลอฮ์ประทานมาเนี่ยนะครับและกุ้มอายัดันเป็นอายะเป็นสัญญาณให้กับพวกท่านฟาเซรูฮา พวกท่านจงปล่อยมันปล่อยอูตัวเนี้ยตะกุลฟีอัพดิลละให้กินในแผ่นดินของเราคืออูตัวนี้มันจะเดินไปไหนมันจะกินอะไรเนี่ยท้าไมเอ่ยให้ปล่อยมันอย่าไปห้ามเวลาตามัสูหวลาตามัาูฮาิซูอินอย่าทำ ร, ร้ายมันฟายะคุฎะุมอาดาบุนกรีบ ถ้าท่านทํำร้ายมาแล้วทําไมเอย่ยการลงโทษที่ใกล้จะมาถึงพวกท่านถ้าทำร้ายมานาะเดี๋ยวการลงโทษจะมาไม่ไกลเดี๋ยวจะมากรีบแต่ว่าไกลเดี๋ยวจะมาแน่ๆอูดของลาบิสซาเลในอิสราเอลฮูดเนี่ยนะครับไม่ได้อธิบายไว้แต่ว่าอูดที่มาเนี่ยเป็นคําขอของผู้สมุดเองในยะห์นที่หกสบสองผสมุดบอกว่าอวัยนาณน า, นาฟีชักกิน เราเนี่ยสงสัยสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยสงสัยขอหลักฐานที่ชัดแจ้งอยากได้อะไรอะบอกมาสิหลักฐานที่ชัดแจ้งคนนี้บอกเองงั้นเห็นภูเขาลูกนั้นไหมเห็นเดินเขา่าตรกนั้นไหมให้มีอูดเดินออกมาเนี่ยเดินออกมาได้ไหมกูตัวเมีย ด, ด, มดีท้องแก่เดินออกมาเนี่ยเดินออกมาได้ไหมเป็นคําขอซึ่งทําไมเอ่ยเป็นไปไม่ได้ในในสภาวะปกติยังไงก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่านบีสาวแรกขอต่อละ แล้วภูเขาก็แยกอูดเดินออกมาเป็นอูดสีท้องด้วยอูดโ ต, ตเมียนี่แหละคือใบยีนะพี่นอจะตั้งคำถามว่าเออแล้วทำไมมันต้องเป็นอูดแล้วทําไมมันยังทําไมต้องเป็นอูดโมจิสาทำไมต้องเป็นอูดหนึ่งโคสมุรเนี่ยขอเองกําหนดเลยนะให้เป็นแบบนี้แบบนี้และนบีซาแลขอต่อหรอจัดให้ตามที่พวกเขาขอคนที่บอกว่าถ้าถ้านำมาได้จะเชื่อ แต่วันนํามาแล้วคนนี้ก็ไม่เชื่ออทูที่ออกมาจากภูเขาพิเศษยังไงหนึ่งพี่น้องหินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครนี้สิ่งที่ออกมาจากหินเนี่ยพี่น้องมันเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นมดเป็นจริงจกอยู่ของพว่ามีรูให้ออกมา อันนี้เป็นอูดตัวบเบลอพี่น้องออกมใจหินออกมาได้ไงถ้าอูดมันอยู่ในหินแล้วแล้วอูดมันเกิดยังไงมันมันมีชีวิตอยู่ในหินมันกินอะไรได้มันยังไงทั้นั้นแม่พอครูตัวเมียด้วยแล้วท้องอีกไปกันใหญ่เลยอูดท้องมีคนประสมพันธุ์ตบแล้วตัวผู้มันอยู่ไหนแล้วประสมพันธุ์ตอนไหนแล้วตอนมันท้องมันกินอะไรมันหลายเรื่องคือมันโดยเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยตั้แต่อูดออมใจหิน ไม่พออูตัวเมียด้วยนะแล้วท้องด้วยแล้วแล้วโผล่มาได้ไงจะกหินเนี่ยคื อ, อยังไงก็เป็นไปไม่ได้พูดสมมุติขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หลายต่อด้วยนะแต่ขอม้าเดินออกมาจากหินเนี่ยปกติมันก็ยากแล้วไปถ้าเป็นตัวเมียด้วยและอูนี่ใหญ่ใหญ่เป็นสัตว์บกซึ่งในตอนนั้นี่ใหญ่ใหญ่มากแล้วนะครับตรงนั้นคงไม่มีชงไม่มีช้างอูนี่ถือว่าใหญ่สุดเป็นสัตว์บกที่ใหญ่สุดแล้วออกมาจากหินเป็นตัวเมียและท้องด้วย คำขอนี้เหมือนกับขอประชดยังไงก็เป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้แล้วนี่คือใบยีนาตินเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยนบีซอดแรกบอกว่ายาเกามีโอ้คุมูชนของฉันฮาดีฮีนากตุลลอฮีบนี่คืออูดของอัลลอ์ที่พวกท่านขออยากเห็นหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยตอนนี้โผล่มาแล้วเนี่ยจะศรัทธาไหมตะกอนอินานาลาฟีชักกิน เราอยู่ในความสงสัยซาเล่มาเรียกร้องแบบนี้เนี่ยหลักฐานอะไรก็ไม่มีเลยใช่เชื่อให้ตามได้ไงลราเอามาสิหลักฐานที่ชัดแจ้งอยากได้อะไรหลักฐานที่ชัดแจ้งแน่จริงเอาอูดออกมาสิจากภูเขาอูตัวเมียท้องๆเนี่ยทําได้ไหมทําได้ศรัทธาไหมยังไม่ศรัทธาพออูดออกมาแล้วพี่น้องนบีซบาเล่บอกว่านี่คืออูดขอรอดที่วันดันขอเนี่ยมันออกมาแล้วและกุ้มอายาตันเป็น หลักฐานอาญะเป็นหลักฐานเป็นองค์การแก่พวกท่านคือโมจิศาส์บางอย่างนะพี่น้องมาแล้วก็หายไปเช่นน้ําทะเลทะเลแยกเนี่ยในสมัยนบีมูซานเนี่ยตอนนี้เราไปดูทะเลแดงจะเป็นทะเลแดงของสุงเอตแล้วแต่ตรง น, นี้มันไม่แยกแล้วมันประกบแล้วไม่มีแล้วไงแต่ว่าอูดของนบีซอลแลเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เดินกลับไปนะออกมาแล้วแล้วก็ใช้ชีวิต อยู่ใครก็เห็นเนี่ยอูตัวนี้มาจากไหนล่ะมาจากช่องหินเป็นโมอิจาตที่มีชีวิตแลว้วก็ทำไมเอ่ยฟาซารูฮาตะกุลฟินอัลดิลลอูตัวนี้นะบีซาเลบอกว่ามันจะกินอะไรก็ปล่อยไปฉะนั้นเวลาที่อูไปที่ไหนเนี่ ย, ก, ยกินยงกินหญ้าเนี่ยให้ปล่อยมันอย่าไปห้ามมันเพราะว่ามันเป็นอาญาต์ละกุมทำไมล่ะคนที่เห็นก็จะทราบว่า น, นี่คือใบีนะ คือหลักฐานที่ชัดแจ้งของน บ, บีซาเล็มซาเล็มเป็นน บ, บีจริงไหนหลักฐานซาเล็มเป็นน บ, บีจริงไปดูอูตั้งเด็ดอูดตัวไหนเนี่ยอูที่เดินอยู่เนี่ยวันนี้เดินบ้านแก้วนี่ตอนนี้เดินบ้านฉันเดินกินอยู่เนี่ยมันปฏิหารยังไงล่ะมันมาจากหินออกมาจากภูเขาและกระทองด้วยและตอนนี้ก็เป็นวิญญาณ ท, ที่มีชีวิตจับต้องได้ใครก็เห็นได้อูก็เดินกินไปทั่วเป็นหลักเป็นวิญญาณซึ่ง เห็นชัดๆคาตาเนี่ยเคลื่อนไหวได้ใครอยากมาจับก็เดินมาจับใครอยากมาดูก็ากกมาดูได้นี่คือโมจิศาสของของนบีสอเละนะครับนบีสอเลบอกว่ามันจะไปกินที่ไหนก็ปล่อยมันไปเท่ากับเป็นการโฆษณาเป็นหลักฐานที่ไม่ต้องพูดเยอะนี่คืออูดอูดแค่ อ, อูดของซอแลอเอาสอแลเอามาได้ยังไงเอามาจากหินทําไมเอามาได้ขอต่อพระเจ้าของสอแลก็แปลว่าพระเจ้าของซอเ ล, เออเลมีจริง ไม่เลยที่ขอเนี่ยขอตามความขอนะผู้สมมติสั่งมาแบบนี้จัดให้ตามที่ขอววลาตามสุเวลาตามสุฮาบิสูอินอย่าทํำร้ายมันปูตัวนี้จะเดินไปไหนปล่อยมันกินไปอย่าทํำร้ายมันฟายากูสะกุ้มอาดาบุนกรีบถ้าทาไมเช่นนั้นแล้วถ้าทํำร้ายมันนะทําไมเอ่ยอาดาบุนกรีบการลงโทษที่ใกล้เนี่ย มันจะมาถึงพวกท่านพอกลับมาดูเอา้าเราพยายามมองเหตุการณ์ตรงนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นผู้สมุติทำไมเอ่ยออมีความเชื่อมีพระเจ้ามีอะไรที่ทำกันมาสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายนาบีซาเลมมาห้ามบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่คนเหล่านี้สงสัยขอหลักฐานที่ชัดแจ้งนบีซาแรกขอให้หลักฐานที่ชัดแจ้ง เป็นอูดล้วเป็นอูดซึ่งทําไมเอย่ยซึ่งเดินไปเดินมาเนี่ยพี่น้องเห็นกันอยู่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งที่ได้บีซาเล่พูดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่จริงพระเจ้าของสาละมีจริงลักษณะตรงนี้พี่น้องครับสร้างความกดดันให้กับชาวสมุทรมากคือจะทิ้งสิ่งที่เคยกราบไหว้ก็ทิ้งไม่ได้ทําไมล่ะเพราะเป็นประเพณีปฏิบัติมานานแล้ว จะทิ้งก็ไม่อยากทิ้งจะบอกว่าซอลเเโกหกก็บอกไม่ได้ก็หันไปเจออูนอะบีซอลเเลเดินไปเดินมาเนี่ยหลักฐานมันกันเดินไปเดินมาหลักฐานมันชัดๆอยู่เนี่ยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามมะพูดจริงแต่ก็ยอมรับไม่ได้เพราะถ้ายอมรับพระเจ้าของซอลเเละก็แปลว่าพระเจ้าของเราที่เคยกราบไหวมาต้องละโลทิ้งหมดเลยทําอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะคนส่วนมากก็ปฏิบัติอยู่ อยู่ในภาวะที่กดันมากนําไปสู่การฆ่าอูดการสังหารอูดเวลาเรามองบรติศาสตร์เอาอูดมาแล้วคนนี้ก็ฆ่าอูดถ้าเรามองให้ลึกทําไมต้องฆ่าอูดมันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องฆ่าอูด ต, ตอนที่อูดอวิสาลแย่าาแมาเนี่ยพี่น้องนะครับเป็นอูดที่ให้นมนะมาถึงไปคนพวกนี้นะี่ยแย่งกันเลยนะเอาอูดมาเลี้ยงแล้วก็ เอานมจากอูดแล้วอีกวันหนึ่งเอาคนอื่นก็เอาไปบ้างเอาไปเลี้ยงบ้างเอานมจากอูดมาบ้างคือเป็นอูดที่ให้ประโยชน์กับผู้คนมาต่อคิว เ, เลยแหละอูดแบบนี้หายากตัวใหญ่ด้วยหายากพันดีเอาล่อให้แต่ของดีอยู่แล้วนะอ้าวแย่งกันเลี้ยงวันนี้มากินหญ้าบางฉันหลูดนมรูดนมรีดนมไปอ้าววันหลังอันนี้มาต่อคิวฉันคิวสองคิวสามอะไรแบบนี้เลยการที่เป็นแบบนี้ยิ่งกดดนตามผู้สมมูทไปใหญ่ เพราะทําไมล่ะเพราะยิ่งยืนยันว่าสิ่งที่นบีสลาเลาะพูดเป็นเรื่องจริงถามว่าใครเคยกินนมอูดคนนี้บ้างฉันก็เคยฉันก็เคยหนุ่นก็เคยทุกคนตามีประสบการณ์สัมผัส ต, ต่อโมอีษารดของนบีสลเลาะเป็นสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับกดดันมากชาวสมุทรทำยังไงการที่จะตอบโต้นบีสลาเลาะจะบอกว่าพระเจ้าของนบีสลาเลาะไม่จริงเนี่ยพูดยาก เพราะอูดยังมีอยู่หลักฐานยังมีอยู่ฉะนั้นวิธีแก้ถ้าเราฆ่าอูดละ่ะในเมื่ออูดคือหลักฐานของซอเล่ถ้าต้องการล้มล้างหลักฐานของซอเล่เราก็ทําลายมันซะในเมื่อมันเป็นอดูดเราก็ฆ่ามันซะถ้าหมดหลักฐานแล้วซอเล่จะได้อ้างไม่ได้ว่ามาจากอัลลอฮ์จริงเพราะหลักฐานที่อ้าง ตายไปแล้วนี่คือคิดแบบนี้ยังไงเอ่ยนำมาสู่เหตุการณ์นในอายทที่ห5สิบห้าฟาการูฮาคนเหล่านี้ก็ได้สังหารได้ฆ่าฮาตัวนี้คือมันมันก็คืออูดตัวที่ว่าฟกากอลาหลังจากที่ฆ่าอูดแล้วฟกอลานบีซอลแลก ก, กล่าวว่าตามตัตตอูฟีดาริกุมให้พวกท่านเนี่ย อยู่ในบ้านของพวกท่านเพลิดเพลินเสพสุขในบ้านของพวกท่านซาลาสะตะไอายามสามวันอย่าดิการวะดุนไกรมกรูปนะครับสัญญาณขอรอดสัญญาขอรอดเนี่ยไม่โกหกบอกไปแล้วว่าอูตัวนี้จะกินอะไรปล่อยมันไปในแบบนี้ขอรอดมันจะไปไหนปล่อยมันไปอย่าทําร้ายมันพอจะทําแล้วทําไมเอ่ยทําร้ายอูตไฟยะกคุกุมอาดาบุนกีบการลงโทษที่ใกล้ ไม่นานถ้าถ้าทําร้ายอูดเนี่ยจะโดนแน่ๆไม่นานจะโดนคนพวกนี้กระทาจริงฟักครูฮารวมตัวกันแล้วก็ฆ่าอูดอูดนาบิซาเล่เนี่ยไม่ธรรมดานะ่ะคนเดียวเอาไม่อยู่นะต้องมาเป็นกลุ่มเลยเนี่ยในบระวัติศาสตงคนบอกว่าเก้าคนเจ็ดคนอะไรก็แล้วแต่รวมตัวกันแล้วก็ฆ่าอูดนาบิซาเล่ฆ่าลูกของอูดด้วยอูดที่ออกมาเนี่ยมันท้องแก่ ออกมาแล้วก็มีลูกนะแล้กค่าลูกด้วยแลกก็ค่าอูตัวแม่ด้วยพออูตายแล้วข่าวไปถึงนบีซอลแล้วนบีซอลแล้วก็มาหาชาวสมุทเลยอูที่ออกมาเนี่ยทำไมมันถึงออกมาพ่อพูดท่านร้องขอพูดท่านสงสัยในสิ่งที่ฉันนําเสนอในสิ่งที่ฉันได้ว่าพูท่านร้องขออูแบบนี้ฉันก็ขอต่อละ แล้อัลลอฮ์ก็ให้มาตามที่พวกท่านขอสานไม่ได้ยัดเยียดนะพวกท่านขอแบบนี้นอบบัลลอฮ์ก็ให้มาและเมื่อมันเป็นใบีนะเป็นหลักฐานให้กับพวกท่านแล้วพวกท่านก็ทําลายมันดังนั้นตามัตตอูฟีดาใหกุ้งสล่าสตาไยามให้เสพสุขให้มีชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านของพวกท่านในที่พักของพวกท่านเพียงแค่สามวันซาเลกาวะ ว่าดุลไรมักดูบและการลงโทษขอลอ ก, ก็จะมาไม่โกหกมาแน่แน่นะครับอันนี้คือเหตุการณ์คร่าวๆในวันนี้นะครับนบีซอเล่กับอูดในอายาที่หกสิบสองถึงอายาที่หกสิบห้าเราจะเห็นได้ว่านะครับจริงๆแล้วอูดของนบีซอเล่กเนี่ยที่เป็นมุเอีซาาบีน้องแม้ว่าฆ่าอูด ทำลายหลักฐานแล้วก็ไม่ได้แปลว่านบีซอลเล่ไม่ได้เป็นนบีอัลลอฮ์สรงอูดมาส่งนบีซอลเล่มาส่งอูดเป็นมวอีซัดต่อให้ฆ่าอูดทําลายมุฮีซัดตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่เจ้าความคิดมันกลับไปหมดแต่คนตรงนั้นโู้สมูทรคิดอะไรไม่ได้แล้วจะทำลายซอลเล่ซอลเล่ก็เป็นคนในกลุ่มชนตัวเองจะทำลายอัลลอฮ์ทำลายยังไงทำลายอัลลอฮ์ไม่ได้ ทำสิ่งที่ทําได้ทําลายหลักฐานของน บ, บีซาเละ ก, ก็คืออูดอะไรก็แล้วแต่การทําลายอูดการฆ่าอูดไม่ดะกลับกลายให้ความจริงเป็นความเท็จความเท็จเป็นความจริงน บ, บีซาเละ ก, ก็เป็นน บ, บีอัลลอฮ์ก็เป็นเจ้าสิ่งที่พวกเขากลาบไหวก็ไม่ใช่พระเจ้าอูดจะมีไม่มีไม่ใช่ประเด็นแล้วมวอญิษฐ์มันอยู่ที่ว่าให้อูดออกมาจากช่องเขาอูดตัวเมียตีท้องแกเนี่ยนั่นตอนนั้นเป็นมอญาษฐ์แล้ว การที่อูดมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านของพวกท่านพวกท่านได้ให้อาหารได้ให้นมอูดเนี่ยให้พวกท่านได้สัมผัสกับโมอิจัดเพื่อจะทร า, าบว่านบีซอลแลเป็นนบีจริงๆมันสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์มาแล้วอูดจะอยู่ต่อไปจะตายจะยังไงกันแลว้วแต่จะมีลูกเพิ่มไม่ใช่ประเด็นแล้วฉะนั้นการทํำร้ายอูดการฆ่าอูดไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงข้อนี้แต่สิ่งที่ได้จากการทํำร้ายอูดการฆ่าอูดก็คือ การลงโทษจะมาถึงพวกขันนี่คือเนื้อหาในวันนี้นะครับสี่อายะออในช่วงท้ายของเวลาผมขอทวนนิดหนึ่งเนื้อหาประมาณนี้แหละต่อไปจะเป็นการทวนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ในซุรั่วฮูดนะสี่อายะหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่แล้วก็อายะที่หกสิบห้าสี่อายะ ชื่อนาซูาฮูดแต่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกับนบีซอลเละกับพวกสมูดสี่อายะในวันนี้เนี่ยนะครับตัวละครมีอูดเข้ามาด้วยนะในอายะที่หกสิบสองเราได้เห็นทำไมเอ่ยหกสิบสองหกสิบสามเนี่ยนะครับเป็นการสื่อสารระหว่างนาบีซอลเละกับชาวสมูดชาวสมูดก็มีประเด็นของเขาอะทำไมทาไมไม่ยอมรับนบีซอลเละ ประเด็นก็นคือสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำเฉพาะยุค ข, ของเราเราทำมาตั้งแต่สมัยบรรพบรุษอา้าวเราทราบว่านาบีซาเลเป็นคนซึ่งโดดเด่นในกลุ่มชนสมุทรพะพโบสมุทรบอกเองว่าก็ตะกุนต้าฟีนามารดตูวันกับลหฮาดาพวกเรานั้นเคยตั้งความหวังไว้กับท่านอาจจะให้นบีซาเลสืบท อ, อดไปจะเป็นความเป็นผู้นำของพวกชาวสมุทร หรือว่าอำนาจทางศาสนาทางความเชื่ออะไรกันแล้วแต่นบีซอลและเคย์ตูตั้งความหวังไว้ผู้สมมติบอกว่าเราสงสัยในสิ่งที่ซอลและนามาความสงสัยตรงนี้นําไปสู่ข้อเรียกร้องในการแสดงโมยิศาสตรซึ่งสุดท้ายโมยิศาสตรก็มาจริงๆในอายะในสุรพูดเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงอูดผู้สั้นๆนะพี่น้องเห็นป่ะมีอูดมานี่คืออูดขอเลาะปล่อยไปอย่าทำร้ายมัน แล้วตัดมาที่อายะห์หกิห้าอูนโดนฆ่าตายแล้วนะครับแต่ว่าใ น, นก็อ่านเนี่ยเหตุการณ์เกี่ยวกับอูซอลเล่เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะมีในอายะห์อื่นด้วยแต่ผมต้องชี้ซหลฮุดผมก็พูดจริงๆในซุลฮูดในที่อื่นนไม่มีถ้าพี่น้องอยากทราบรายละเอียดอับดุซอลเล่ผมสมุติเพิ่มอย่าทราบอูอะระวัติยังไงในซุละุดอื่นมีไหมมีพี่น้องอันนี้ผมพูดเฉพาะซุลฮูดนะครับอายะห์ที่หกสิองหกสิบสาม โพสมมุติบอกไว้เลยว่าสงสัยในสิ่งที่นาบีซอนแนะนำมาสงสัยแต่ว่าเมื่อมีบบยีน่ามามีหลักฐานที่ชัดแจ้งมาพวกนี้ศรัทธาไหมก็ยังไม่ศรัทธานะครับช่วงระยะเวลาสามวันเนี่ยทำไมต้องสามวันอ่านะครับในอยะห์4อัลล่ฮ์บอกว่าขยะกุณุลุกอดาบุนกรีบการลงโทษเนี่ยมันจะมาแบบใคร สมวันเป็นช่วงที่นบีซอลเละทําไมเอย่ยพาครอบครัวและก็ผู้ศรัทธาออกจากเมืองของชาวสมูดบางคนบอกอยู่ที่เมืองอา ก, กอกอยู่ที่มาดาอินซอลละอะไรกันแล้วแต่นะครับอยู่ตะ ว, วันออกเชียงเหนือของซาอุดีอาระเบียอะไรกันแล้วแต่นะครับอยู่ตรงนั้นแหละทําไมเอย่ยสามวันเนี่ยนบีซอลเละสาบเบยว่าการเผยแพร่กับชาวสะมูดไม่ประสบความสํำเร็จแล้ว ไปต่อไม่ได้ก่อนที่การลงโทษจะมาเนี่ยล้างเผ่าพันธุ์ตรงนี้เนี่ยบรรดาศาสนาทูตทําหน้าที่จนถึงที่สุดแล้วแต่เราเคยผ่านสมัยน บ, บีนุ่งน บ, บีนุ่งทาหน้าที่จนถึงที่สุดแล้วก็ร้อยห้าสิบปีแม้กระทั่งตอนที่น้ําท่วมแล้วเนี่ยยังพยายามไปดึงลูกพยายามบอกนุ่งบอกนี่ให้คนไม่ศรัทธาขึ้นมาสุดท้ายไม่มีประโยชน์น บ, บีซอเลมเนี่ยจุดแตกหัก ที่บอกว่าไม่สามารถจะเผยแพร่ต่อไปได้แล้วไม่ประสบความสำเร็จแล้วไม่คืบหน้าแล้วไอ้คนที่ศรัทธาก็ศรัทธาไอ้คนที่ไม่ศรัทธามันก็ไม่ศรัทธาคือตอนที่ฆ่าอูดถ้าว่าอูดยังมีชีวิตอยู่ปล่อยให้เดินในชุมชนในบ้านเมืองอาจจะเป็นหลักฐานดึงให้คนมาศรัทธาเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นโมจิศาสต์แต่วันนี้ชาวสมุทรตกลงใจกันแล้วมอบหมายคนมาฆ่าแล้วแปลว่า ยังไงซอเล่ก็จะไม่ศรัทธาต่อสิ่งที่นบีซาเล่นำมาไม่ศรัทธาแล้วก็พยายามทําลายหลักฐานที่นํามาโดยการฆ่าอูแนแสดงเห็นว่าถึงจุดที่ไม่สามารถที่จะดาว่าต่อไปได้แล้วไม่ใช่นบีซอเล่บวกพ่องนะไอ้คนที่ศรัทธาก็มีอยู่จํานวนน้อยไอ้คนที่ไม่ศรัทธาด่าว่าต่อไปยังไงก็ไม่ศรัทธาเพราะขนำมฮิญิษฐมามันก็ยังไม่เชื่อยังทําลายมฮิญิษฐนบีซาเล่ บอกว่าถือว่าจบกันแล้วนะมีระยะเวลาเหลือแค่สามวันก็มีชีวิต เ, เต็มที่อยู่ในบ้านเสพสุข เ, เต็มที่สามวันเพราะว่าการลงโทษของล้อจะมาในที่สแลกกก็พาผู้ศรัทธาครอบครัวเดินทางออกจากเมืองหลังจากนั้นสามวันคนนี้ก็รอคอยนะจะมาไหมที่สแล้บอกจะมาเพราะวันสามวันไม่นานเนี่ยไม่ได้หกปีเจ็ดปีจะมาไหมจะมาไหมจะมาไมคนนี้ยเยอะเย้ยด้วย ม, มันไม่มีอะไรจะมาเลยมันปกติหมดเลยเนี่ยบานเหมือนทองฟ้ามันไม่มีอะไรมาเลยมันปกตินะแต่ว่าการล้างท่วของรอดเนี่ยมาแบบชั่วระยะเวลาเดียวซอยฮาวาฮิดะเป็นเสียงกำปนาตครั้งเดียวละก็ตายหมดไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องมีอา ร, รมณบทนบีโนยังมีนาะฝนตกแผ่นดินแยกน้ํามันไม่แตกระทันหันจะท่วมไม่ท่วมนบีโนยังคุยกับลูกได้ขึ้นเรือมาอันนี้ไม่ขึ้น ยังมีระยะเวลาเตรียมตัวแต่ผู้สมุทรเนี่ยการละโทษของเราคือซอยห้าภาษาอาฟแจกคำกว่าซอยห้าภาษาไทยบางคนแปลว่าเสียงกำปนาตซอยห้าหมายถึงเสียงคนอย่าแต่ตะโกนออกมาเป็นเสียงดังจะมายังไงผมก็ไม่ทราบว่าเร า, าละลามแต่เป็นเสียงที่ดังมากและก็เสียงนี้ครั้งเดียวผู้สมุทรเสียชีวิตทั้งหมดศูนพันสิ้นเลยรอคอยราไหนไม่มีอะไรมาเลยสัญ ญ, ญาการละโทษไม่มีพอมาทีตายหมด นั่นคือการลงโทษที่เกิดขึ้นกับกับพวชา ว, บชาวสมุนนะครับชาวสมุนเนี่ย ม, มั่นใจในถิ่นที่อยู่อาศัยนะพู้อาผู้สมุร ท, ทําไมเอ่ยมีทักษะคล้ายๆกันมีบ้านที่เป็นภูเขามีนู่นมีนี่มีความแข็งแกร่ ง, งร่างกายแล้วก็มองแล้วเนี่ยอะไรมันจะทําลายเราได้บ้านเราก็แข็งแกร่ ง, งคนเราก็แข็งแรงไม่ใช่คนเดียวนะคนทั้งบ้านทั้งเมืองเลย มันจะเป็นศัตรูเราก็ร่วมกันสู้ได้มีปัญหามาเราก็ห น, นีเข้าบ้านเราที่เป็นภูเขาได้แต่ยังไงก็นแล้วแต่หนีไม่พ้นเสียงของล้อซอยฮาที่ว่าเนี่ยพอมาทีมันแทรกไปหมดเลยจะมีชงมีช่องแทรกกันไปหมดสุดท้ายตายทั้งหมดพวกอาภูสมูทรเนี่ยเวลากขาจัดลําดับอารับเนี่ยนะครับเขาจะจัดเป็นสามประเภทคนอารับเนี่ยหนึ่งอารับบาอีดา อาหรับไบอิดาแปลว่าอาหรับที่ศูนย์พันพวกอาผูสมุนเนี่เป็นอาหถือว่าเป็นเชื่อสายอาหรับนะเป็นอาหรับไบอิดาอาหรับที่ศูนยพันก็คือทุกวันนี้ไม่เหลือแล้วใครบอกฉันเป็นชาวอาชาวสมุรเนี่ยไม่จริงแล้วศูนยพันไปหมดการลงโทษหล่อหล่อศูนย์พันไปหมดอาหรับที่สองคืออาหรับอาริบาอาหรับแท้แท้เนี่ยมาจากไหนมาจากเยเมนหนุนพวกก๊อกตรงก๊อกตอนมาจากเยเมนอพยพขึ้นมา ตอนที่มีปัญหาเขาเรียกว่าตอนที่เขื่อนเนี่ยมันมันแตกมีความแห้งแล้งตะกรเยเมนเนี่ยตอนนี้ดูแล้วเป็นทะเลสาบตะกอนมีความอุดมสมบูรณ์มากนะสวรนบีโซยมานในเมืองของบินกิสอยู่ทางเยเมนนะมีความอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีอุทุกข์ภัยเกิดขึ้นเขื่อนแตกมีความแห้งแล้งคนอาหรับก็อพยกขึ้นมานั่นคืออาหรับอาริบะอาริบาตัวอินอาหรับประที่สามคืออาหรับมุสตาร์รบะ อาหรับที่ดําเดิมไม่ใช่คนอาหรับแต่ว่ากลายเป็นคนอาหรับนึกออกไหมเช่นไม่ใช่คนไทยอ่ะอย่างเราเนี่ยพูดอย่างนะอ้าวพม่าแล้วกันง่ายๆไม่ใช่พม่าไม่ใช่คนไทยแต่มาอยู่ห้าชั่วยุคคนจนเป็นคนไทยไปแล้วคือกลายเป็นไทยไปแล้วพูดไทยอะไรไทยหมดแล้วเช่นเดียวกันอาหรับแบบที่สองคืออารับมุสตะอร์รอบะดั้มเดิมไม่ใช่อาหรับแต่อยู่กับคนอาหรับจนกลายเป็นอาหรับ คือท่านนบีอิสมาอินอะลัยซ์สลามต้นตระกูลของชาวอาหรับตอนเด็วพวกกอลตนพวกอาหรับอาริบะ อ, อพยพขึ้นมาจากทางใต้เยเมน เ, นเนี่ย อ, อพยพมาแล้วเดินทางผ่านที่พักของนบีอิสมาอินกับพนันาฮายัดแล้วก็มีน้ําำจำจำพวกนี้ทําไมเอย่ยขอพักอาศัยนบีอิสมาอินโอเคพนานฮายัตโอเคพวกนี้ก็ตั้งที่อยู่อาศัยพูดภาษาผู้ภาษาอาหรับนบีอิสมาอินเป็นอาหรับไม่เดิมๆไม่ใช่คนอาหรับ เป็นลูกในอิบราฮิมในอิบราฮิมไม่ช่อาราบนะอบายมมาจากนูน่นพวกอะไรละ่ะมาจากทางตใต้ของที่ักแต่พวกบาบิลงบาบิโลนแถวนู้นไม่ใช่อาราบแต่ในอิสมาเอิ น, นก็ลูกหลนานนบอิสมาอีนที่เกิดที่มากลายเป็นคนอาราบเพราะอาศัยกับคนอาราบที่อบายขึ้นมาตั้งถิ่นฐานอยู่นี่คืออาราบสามประเภทอารสมุตเป็นอาราบอาราบที่สูญพันธ์ อาหับตาเทอพยกขึ้นมามีแล้วก็อาหับมุสตาอาราบะอาหับที่กลายเป็นอาหับคือท่านนบีสิสุลียนั้นก็ลูกหลานคนอาหับปัจจุบันเนี่ยเป็นมุสตาอาราบะอันนี้เราให้ฟังเก็บความรู้นะครับเอาแงา่คิดที่ได้จากประวัติตรงนี้เนี่ยนะครับเออมันเป็นก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ของนบีซอลเละกับโพวกสมุรคร น, นี้แง่คิดที่ได้จากประวัติศาสตร์นี่พี่น้องแล้วแต่คนมองถ้าเราจะบอกว่า ให้แง่คิดเจ็ดประการหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแต่บางคนจะได้ประโยชน์ประการที่แปดประการที่เก้าล่ะมาเป็นบทศสพร์และประโยชน์ที่ได้อยู่ที่คนจะสังเคราะห์ออกมาใช้ประโยชน์ที่ผมมองเห็นก็คือว่าสิ่งที่ดําเนินไประหว่างพวกสมุทรกับพวกเ อ, อ่อชาวสมุทรกับนบีซอลเละมีการเผยแพร่กันนบีซอลเละทำหน้าที่แล้วพี่น้องพกนดันตอบโต้มาแล้วต้องการหลักฐานนาบีซอลเละให้หลักฐานไป มีการทำหน้าที่เร็วแต่ว่าการเผยแพร่ตรงนี้ถึงจุดแตกหักไม่ใช่นาบิสซาเล่โกรธแล้วก็ห น, นีไปนะไม่ใช่แต่ว่าการเผยแพร่ไม่สามารถคืบหน้าต่อไปได้แล้วพ่อหลักฐานหนึ่งเดียวที่นำมาให้ผู้ชาวสมุทรที่จะสมมติขอเองคืออู๋เนี่ยผู้ชาวสมุทรก็ทําลายมันไปดังนั้นจึงนํามาสู่การลงโทษก็เป็นแง่คิดประการหนึ่งจากผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีการลงโทษมาถึงนะครับต่อไปก็อาจจะเป็น ประวัตินบีท่านอื่นนะซาบวันนี้ครับอวบิลลาฮิตาฟิกวัฮิดายะอัสสลามุอะไยกุมวะฮะมะตุลล้อฮิวะบะาะกาตุ